ยาซีเรียกเรื่องเวนต่อเวนคราวหนึ่งพระวัดระคังเกิดวิวาทกัน พระแดงตีหัวพระเปียกพระเปียกมาฟ้องพระเทพกวีเจ้าอาวาสวัดระคังพระเทพกวีชี้ว่าคุณตีเขาก่อนพระเปียกเถียงว่าผมไม่ได้ทาพระแดงตีกระผมฝ่ายเดียวพระเทพกวีย้ำว่าก็คุณตีเขาก่อน เขาก็ต้องตีคุณคุณณพิษฉันจะจ่ายค่ายาค่าทําขวัญให้เรื่องนี้ให้เลิกแล้วต่อกันพระเปียกทำเรื่องร้องอุทธรณ์ต่อสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดอรุณเจ้ า, าคณะกลางให้พระเถระสอบสวนว่าพระเทพกวีตัดสินไม่ยุติธรรมสมเด็จพระวรรณรัตน์ เรียกพระเทพกวีเข้าชี้แจงท่านก็ยืนคําเดิมว่าพระเปียกผิดเช่นเดิมสมเด็จพระวรรณรัตถามว่าเจ้าคุณพระเทพกวีรู้อย่างไรว่าพระเปี๊ยกตีกนท่านตอบว่าท่านรู้ตามพุทธดีกาว่าเวน ไม่ระ ง, งับเพราะจองเวนเวณต่อเวนมันตอบแทนกันฉันเห็นตามคำพระพุทธเจ้าจึงกล่าวิจารณพิจารณาว่าพระเบียกในอดีตไปตีพระแดงปัจจุบันชาติจึงถูกพระแดงตีหัวแตกสมเด็จพระวรรณรัตน์เถียงไม่ขึ้น เพราะพระเทพกวีอ้างพุทธดีกาจึงว่าถ้าเช่นนั้นท่านเจ้าคุณจงระงับอธิกรณ์อย่าให้เป็นเวรกันแล้วนิมนต์ท่านกลับหลังจากนั้นพระเทพกวีกล่าวทำมิกถาพันานาอานิสงของผู้ระงับเวรพรนานาโทษของผู้จองเวร ให้พระเปียกและพระแดงฟังชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษไม่พึงจองเวรอาฆ า, าตมาร้ายต่อไปแล้วท่านเอาเงินทำขวัญและฆ่ายามอบให้พระเปียกสามตำหนึ่งและว่าท่านทั้งสองไม่ผิดฉันเป็นผู้ผิดจะ้ะเพราะฉันปกครองไม่ดี